ลังทําต่ออีกสักหน่อยเรื่องงานเรื่องการของเราจากที่เราสละที่ใหญ่พระสูตรทำวัดเช่าได้บริหารร่างการจิตใจของเราวางโบส บางตอนยาวหายใจออกพ่อตั้งเสียงที่เราเป่งออกไปจนจบลูก็หายใจเข้าจุดลงพ่าไปมันมีอะไสงพออตั้งเสียงที่เปล่งมันมีอะไรที่มันออกขับเคลื่อนออกมา ก็มีสุบุรีมันก็ขั บ, ขบนิโขตีนออกมาทางลมหายใจอีกกันหนึ่งปอดล้วก็มีพลังสูดลมเข้าปล่อยลมออก30มสิบานาทีสิ่งที่เราได้อีกกันหนึ่งคือมีสติติดตามตใจิตใจใจตามใน พราะสูตรที่เราห้าออกมามันก็อะไรที่เกิดมันหลายอย่างมีแต่คำดีๆเป็นคำสอนดีๆเราได้สัมผัสทำในใจไปบ้างนี่อันนี้สงเราก็เราก็ได้ทำาแล้วนี้อยู่นี การฝึกกรรมฐานที่เป็นงานขอเราได้ทำอยู่แล้วก็พอดีมันเป็นปัจจุบันทำมาเราได้เห็นปัจจุบันปัจจุบันเขามีกายมีใจมีสติถ้าตั้งต้นสติไปในกายไปไในใจ ได้เราก็จะถือว่าทั้งหมดของชีวิตเราเหมือนกับการดูแลตั้งการจิตใจให้ดูให้ถูกให้ชอบมีจิตเห็นกายเป็นดิมิตเกาะอยู่เอากายไปดำมลาก็ว่าได้ ไม่ต้องใช้สมงองไม่ต้องใช้หัวคิดเหตุผลสัมผัสเข้าไปสติไปสัมผัสที่กายไปจุม่มไปต่อติดกายกายติดสติใจติดสติหึกหัดแต่ <c oughs> ก่อนกายมันติดอะไร่างทีเคลื่อนไหวไม่ค่อยรู้ เาจะเคลื่อนไหวด้วยความหลงมีเหตุปัจจัยทำาเกิดควาหลงไปทางกายจึ่งแสดงออกมีเหตุทําให้เกิดมีเหตุควบหลงทําให้เกิดขึ้นทางใจมีการแสดงออกบัดนี้ให้มีสติเป็นเจ้าของเว็นผู้ดูแลให้เห็นอย่าไปแสดงออกเรื่องอื่น เหมือนกับเจ้าของมีแล้วตอนเดินเกิดขึ้นก็อใช่สิทธินั้นหลงใช่สิทธิไม่หลงนั้นทุกข์ใช่สิทธิมทธ ไ, มททธไม่ทุกข์ให้เห็นสิ่งที่มันหลงเกิดขึ้นกับกายมีมากเป็นดาการนับไม่ถ้วน กิดกับใจก็ทำไม่ท้วนก็ เ, เรียกว่าอาการภาษาบ้านเราเรียกว่าอาการภาษาเขาพูดเจ้าหรือว่าสุขก็ทุกข์หรือเรียกว่าเวทนาเวทนาคือสุขคือทุกข์นั่นเป็นคําพูดถ้าเราสัมผัสด้ยจริงมันเป็นอาการ <c oughs> อาการที่เกิดกับกายอย่าหลงแล้วก็กลับมาหากายเอากายเป็นที่ตั้งให้รู้สึกอย่าให้คนหลงไปไกลจนถึงความพอใจความไม่พอใจในความชอบกระพอใจเกิดครอบเกิดไม่ชอบอย่าไปถึงโน่นให้เห็นสักแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดกับกาย สิ่งที่เกิดกับใจก็เหมือนกันกอ้ความคิดบางทีก็ความคิดดิพอไมเกิดหลงมากกว่ากายด้วยซ้ำไปพอเห็นกายก็เห็นความคิดที่มันทำให้หลงทั้งสองอย่างได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเอาไปมาแต่ก่อนมันก็ยิ่งใหญ่อันความ อาการเกิดกับกายกับใจนี่มักจะพัดไปอยู่กับมันบบบนี้เรามีสติกับมาที่ตั้งเอาไปามาก็เห็นเ <c> ต <oughs> ิมเป็นทิศเป็นจริงขอ ง, งายของกิดไม่ได้หลงแต่ก่อนหลงบันนี้กลายเป็นความไม่หลง เห็นหักเห็นฐานเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปมหาภูตแต่รูปแต่รูปอาศัยที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการของรูปมันธรรมชาติมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเบื่อเป็นอาการของรูปมีตธรรมชาติ มาใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่แปะมาเป็นโศกเป็นทุกข์เห็นมันอย่างนี้ก็จะเป็นก็พูดออกมาก็พูดว่าได้ว่าอายสภาวะการไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรเขาออกมาจากสภาวธรรมที่ไม่มีคําไม่มีใครบอกตัวเองประสบการณ์เอาเอง นี่คือรูปขอบคุณที่บรโยงกัดบรงเก็บถ้าบันไม่เก็บนันก็มาใช่รู ป, ปเพราะรูปมันมีนามไม่รู้อะไรได้มันรู้อะไรได้ก็เห็นแต่ก่อนเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจตอัทีีวิเศษสติ ล้วก็ไม่ไปไกลเหมือนทิ่งก้อนกวดก้อนเห็นใส่ฝาผนังลัวก็ตกลงสัมผัสล้วตกลงไม่ติดมันไม่ติดแต่ก่อนเหมือนทิ่งก้อดินที่เป็นเปียกเที่ยวเหนียวติดไปติดสุ ก, ก็ติดทุกข์ก็ติดพอใจก็ติดไม่พอใจก็ติด เป็นลอยอยู่ที่นั่นลอยกายรอยใจรอยอาการทั้งหมว่าเราเราก็ปไปยึดว่าเราซะเราชอบเราไม่ชอบปกมุ่นไปเชื่อตั้งหมดแบบนี้เห็นแล้วว่าเป็นอาการที่มันเกิดกับกายมันหิวถูกต้องแล้วมันร้อนถูกต้องแล้วมันเหนื่อยถูกต้องแล้วมันปวดมัน เก็บอะไรต่างๆถูกต้องแล้วจเจี่ยวข้องกับอาการต่างๆโดยความชอบไม่ออกมาปกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ีปัญญาเห็นเป็นรูปมันเป็นอย่างนี้เป็นรูปที่เป็นอาการที่เกิดกับรูปมีมาก <c oughs> ก็เห็นนี่กรไม่เป็นเนี่ยมันเท่ากันหมดอันล้อนเห็นมันล้อนอันความร้นไม่มีค่าอันโุกเห็นมันโศกเนี่ยภาวะที่เห็นมันไม่เป็นเนี่ยสําคัญที่สุดตรงนี้ชิมไม่ดีแล้วก็ระกุกองหารชิมไม่ดีต้องมาดูเห็นไม่เป็นเนี่ยมันขนาดไหนเห็นมันโุกไม่เป็นผู้สศกเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ เห็นเนี่ยมันจบแค่เห็นเห็นแล้วว่ะเนี่ยรู้แล้วอย่างเนี้ยว่ารู้แล้วเนี่ยคือจบไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ใช่เอาสุขมันเป็นสุขไม่เอาทุกข์มัเป็นทุกข์ไม่ใช่เอาผิดมันเป็นผิดเห็นมันผิดเห็นมันถูกจยเนี่ยเห็นมันหลงเห็นมันรู้อย่างเนี้ยก็เลยหลักตรง น, นี้เร่ากรรมฐานที่ตั้ง มันตั้งไว้แล้วนี่ที่ตั้งมีการกระทําอยู่แล้วที่เกิดจากคิดก็เหมือนการที่บันทินคดความคิดไม่ได้ตั้งใจก็มีความคิดที่ตั้งใจก็มีเวลาเราฝึกกรรมฐานมั น, นค่อไปตั้งจะคิดเรื่องใดให้เฉพาะเสือก่อน แต่เพราะเรื่องนี่เสือก่อนอันที่สั้งใจคิดอ่ะมันก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเผชกรรมฐานไม่ควรจะคิดแตด่ความรักคิดมันไม่มีเวลามันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละยิ่งดีให้มคิดลงไปจะได้รู้งน้นจะให้เอามาความ อย่าเอาความลักคิดไบเป ป, ปัญหาวันทีไม่พอใจบางทีก็เกิดอะไรขึ้นจากที่มันไม่ตั้งใจคิดแต่ก็อยากคิดมันก็คิดเนี่ยทาให้เกิดอะไรได้หลายอย่างถ้าไม่ถ้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกก็ยากต่ห้ามไม่ให้มันคิด ไม่ใช่ไปห้ามมันเตืียนแต่เรามีสติกับมาที่ตั้งเราก็มีที่ตั้งอยู่เวลามันชีกเข้มากับมบาหาที่ตั้งคือกรรมฐ า, านเคลื่อนไหวกายให้มันรูกอยู่เสมอก็มีวิธีทมแบบนี้มันไม่ยาก ยิ้มได้ตลอดเวลาอาจจะอมยิ้มในตลอดเวลาผู้ฝึกกรรมฐานถ้าทำถูกจนเห็นเป็นรูปเป็นนามอ่นรู้อะไรได้แต่ก่อนอาการที่เกิกับนาม เป็นความหลงความสุขความทุกข์ก็มีความพอใจไม่พอใจความโกรธความโลภความหลงมีอันนั้นเราต้องไปเรียกมันว่ามันโกรธมันโลภมันหลงมันลักมันเขียดชังแต่ก่อนเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่นั่นแต่มันโกรธก็ทาตามความโกรธถ้ามันลักก็ทำตามความรัก ถ้ามันพอใจก็ทําตามความพอใจถ้าไม่พอใจก็ปฏิเสธให้มันมีคําสั่งมันเป็นใหญ่อารมณ์เป็นใหญ่เราแปลว อ, อารมณ์ที่เกิดแบบนั้นอาการแบบนั้นลราเป็นเราตัวมองเห็นแล้วเป็นอาการจักแต่ว่าเราใช่ตัวใช่ตน รูปบวมเนื้อของตัวตนในภพนี้ได้ในรูป ก, ก็ดีในานามก็ดีไม่เกิดตัวตนอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นรูปทํนาน้ําทําเห็นมันทำรูปมันทำนา ม, มันทำทำมีสองอย่างทำชอทอท ห, หารจลาอัลเลาะห์เลยว่าทำทำดี ทำชั่วเกิดที่นี่มันเป็นรูปธรรมที่นี่เป็นบุญเขาอยู่ที่นี่เป็นบาปเขอยู่ที่นี่ถ้าทำชั่วเป็นทุกข์มันมีรูปธรรมน้ำธรรมมันมีกายมีใจทําบาปเองทำชั่วเองย่อมเศร้าโงงเองให้ทําบาปเองย่อมหมดจดเอง ผู้ทำความสวองของโจทย์เป็นของเฉพาะตนเราทำให้เราเองคนอื่นทำให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ดีก็แจ้เอาเองถ้าเราทำดีก็ทำอะไรทำไปชั่วก็ต้องละไปดีก็ทำต่พืชนตะพือไปใจไม่ติดไปยืด เป็นรูปธรรมดานธรรมท้ทระอำธรรมนหนึ่งคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติของรูปของนามธรรมชาติมีหลายอย่างนัน รนมันหนาวมันโกรธมันโลภมันหลงมันเป็นธรรมชาติที่ของเป็นอาการของกายของใจของรูปของนามนั้นเป็นได้มันมีรูปธรรมมันมีรูปนามมันมีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ็นธรรมชาติโกรธธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติ แล้วก็กฎธรรมชาติเนี่ยสำคัญคือไม่เป็นอะไรกับอาการตา่างๆมันถูกต้องนี่จะ ว, ว่านามธรรมรูปธรรมเราเราก็มีที่มันเกิด ได้หลักได้ฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมคือเห็นชีวิตของเรานี้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ใผลมันมันเห็นเข้าเห็นความคิดที่มันไม่ตั้งใจได้เปลี่ยนความคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นความรู้สึกตัวนี่มันมันเป็น ธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติถ้ามีสติมันก็ไม่ต้องคิดต่อไปอีกแล้วก็รู้แล้วแต่ก่อนมันไม่รู้มันไหลไปกับความคิดกลางคนเป็นความกลางวันเป็นเตลเอาขึนว่าฝันกลางวันว่าคิดคิดเก่งหลงเก่งไม่อยากคิดมันก็คิด ชิ้นแปลงพลังงานปัตนี้มันอยู่มันถนมมันดูแลรักษาบนรักษานั้นปลอดภัยไม่เอากายเอาจิตมาเควนฉกเป็นทุกข์นี่แต่ภาวะที่เห็นเป็นธรรมชาติพรไม่ธรรมชาติน อ, อกจากเรื่องนี้แล้วก็มี ตกอยู่ในสภาวะธรรมคือความไม่เที่ยงลูกทับน้ำทับเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนความโกรธก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุข ก, ก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงลูกก็ไม่เที่ยงน้ําก็ไม่เที่ยงเที่ยงเป็นอาการนั่น อย่าว่าเป็นตัวเป็นตนตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนสามอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นสา ม, มลักษณะเสมอกันหมดไม่มีใครเกินดีไปแม้แต่สิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนกันหมดชีวิตของเราก็เช่นกันก็เห็นคนโก้ก็ ก็บอกว่ามาไม่เที่ยงต่อความโกรธ น, นะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเกิดามทุกข์ก็มาไม่เที่ยงต่อความทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นไม่มีใครทุกข์อยู่ร้อยปีสิบปียี่สิบปีไม่มีใครโกรธอยู่เป็นเดือนเป็นปีถ้าโกรธตีกันเป็นปีแล้วก็ตายแล้วก็มีโอกาสลืมได้ มันไม่ใช่ตัวตนถ้าเอามาปรุงอีกก็โกรธอีกว่ามีเหตุมีเชื่อตัว น, นั้นก็เราก็เห็นสภาพเพียนนี้ได้หลักเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนม่วนลงมาที่เลยเหมือนกับถังขยะทิ้งลงไปชีวิตของเราแต่ก่อนมีขยะ เต่มไปหมดจุกก็มีทุกข์ก็มีล้ ก, ก็มีเกียรังก็มีจงขยะในหัวใจเป็นอารมณ์ข้างบัณฑิตพอเห็นจะภาวะธรรมสา ม, มลักษณะมันมันจะอาจเอาไปที่งลงไปง่ายๆจีงไหนเป็นทุกข์มันก็ไีเที่ยงทิ้งลงไปไม่ มันไม่เที่ยงที่ยงลงไปในความไม่เที่ยงจริงไหนไม่เที่ยงทิ้งลงไปในความไม่เที่ยงมันจริงแบบนั้นมันไม่จริงแบบไมมันไม่เที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบเที่ยงก็เป็นทุกก็จริงแบบทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความเป็นทุกข์เห็นตรงนี้นะเข้าสู่ิปัจฉนายานวิปัจสราเกิดขึ้นตรงนี้ ล้วงพลพะ่ภ า, ภาเก่าได้จริงจริงจะเคยโกรธอาจจะอาจจะไม่มีความโกรธหรือโกรธน้อยลงได้เข้าถูวิปัจนาญาณเปลี่ยนแปลงได้ทางจิตใจทางกายดูแลเทืองได้อย่างปลอดภัย แต่ก่อนเคยทุกข์ปกครองไม่เที่ยงเคยทุกข์ปกคระงวห ม, มือนทุกข์เคยทุกข์ปกครองไม่ใช่ตัวตนก็น้ำเห ล, ลวเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เราวที่รู้อยู่แต่เราทําไม่เป็นชิงได้เป็นทั้งขานลูกทำนำทำทั้งหมดทั้งชิ่นมันไม่เที่ยงเกิดกันแล้วดับไปมีแล้วหายไป ลูกทำน้ำทำท้าบวดต่างที่บบมันทุกตนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปจึงทั้งป่วยทั้งปองนี่เป็นลูกทำน้ำทำไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราก็ลูกเราก็ว่ากันอยู่สาดสยายกันอยู่แต่มัไน <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นไม่สัมผัส อันนี้มันไม่ต้องว่ามันเห็นการเห็นนี่มันหลุดพ้นถ้ารู้ไว้หลุดพ้นใครก็รู้แต่ไม่หลุดพ้นถ้าเห็นมันหลุดพ้นจึงมีแต่เห็นเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงก็หลุดพ้นความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ความไม่ใช่ตัวตนก็พ้นจากความไม่ใช่ตัวตนมีแต่ความหลุดพ้นจนกิดระพุทธเจ้าได้แสดงออกว่าขี้ลงไปเลยในความไม่เที่ยงเป็นนิพพานอยู่ที่นั่นในปัญหามีปัญญาอยู่ที่นั่น ในความไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่นั่งแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่มีวิปัชนนาไม่รู้ทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงละเป็นลกเกียดชังเป็นเกียดชังเราไม่รู้ในความโกรธก็อยู่ในความไม่เที่ยงร้องทุกข์ก็อยู่ในความไม่เที่ยง เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่ความไม่เทีย่ยงนั่นแหละคือพระนิพพานเพราะเบื่อหน่ายก็ไม่มีแล้วเอาไม่ได้อันความเป็นทุกข์นี่ไม่ได้เลยขาดความไม่ทุกข์มันมีอยู่เนี่ยเบื่อหน่ายจริงๆอันความทุกข์นี่มีเท่าไหร่ไม่ให้เหลือไม่ใหเหลือเลยความไม่ทุกข์เนี่ย เ บ, บือน้ามันอยู่กับน้ำน้ามันเนี่ยไม่อยู่ใต้น้าเด็ดขาดแม้เราจะเทน้ำลงไปเท่าไหร่ก็เหนือน้ำเสมออันความไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมไปปนกับอะไรมันบริสุทธิ์มันเป็นภวฌันอันความโกรธก็ไม่ใช่พภวฌันมันเปื่อเพื่อนก็ไม่โกรธดิเป็นพรภวฌัน มันเป็นชีวิตชีวาตัวเป็นทุกข์ก็ได้涅槃ตัวเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลเหตุด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นทุกข์เมื่อนั่นย่อมไหนในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือตนหลงนั่นแหละเป็นพระนิพานแต่เป็นทําหมดจดแต่ก่อน่าเป็นทุกข์บัดนี้เอาเป็นนิพาน ในทุกข์มีนิพพานในความไม่เที่ยงมีนิพพานแต่ปุริชนมาเป็นทุกข์พระดีเจ้าไม่มาเป็นทุกข์เทตหลักเหตนฐานอย่างนี้ไม่ต้องมีสติปัญญาไม่ต้องมีการขีดเขียนหาขอ้อมูลอะไรมันบอกความเท็จความจริงมันบอกความหลงไม่จริง ก็ไม่หลงมันจริงมันบอกไปอย่างนี้ใครก็ทําได้ถ้าเห็นแล้วไม่มีใครไปทํากับมัน้ปเกี่ยวข้องกับมันความทุกข์ถ้าเราเห็นแล้วเห็นความไม่ทุกข์มันก็ไม่มีใครที่เป็นทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในความทุกข์นั่นได้หลักได้ฐานอย่างนี้หรอล่วงพ้นพราะว่าเก่าอาจออกเขียนได้ไม่จน นี่คือกรรมฐานมันบอกทางไปแบบนี้มันบอกควาผิดมันบอกความทุกข์มันบอกก็ไม่ผิดไม้ทุกข์มันเพาบอกไม่มีคําถามมันเห็นเข้าไปเห็นแจ้งเข้าไปเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือศึกษา ศึกษากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นอันเดียวกันหมดจะเป็นเพศใดภาวะใดอันเดียวกันหมดวิชากรรมฐานเนี่ยเจออันเดียวกันทำแบบเดียวกันมีกายก็มีเหมือนกันมีใจก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ไม่เหมือนกันตรงที่เราไม่มีสตินั่นแหละ แล้มันสุกก็สุกไปเลยถ้าคนมีสติถ้ามันสุกก็เห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกเฮ้ยมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เข้าไปเลยเห็นรูปโลกเห็นน้ำโ ล, นโลกเห็มนละเกิดโลกในรูปในนามเนีนะ่ยโลกของรูปมีมม ก, ก, ก็มีเหมือนกันเห็นทุกข์ก็มีเหมือนกันทุกปังอย่างกําหนดรูป โดยการรู้เฉยๆแก้ไปได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องคลิปตาต้องเกิด น, น้ำลายต้องหลับต้องนอนยืนเดินนั่งนอนต้องหนักต้องเบาคือมันเป็นโรคลูบต้องคนบีเหมือนกันโรคแบบนี้บางอยาาง่างบัรเทาบางอย่างละเช่นทุกข์ที่เกิดจากควองหลง โปูดเจนเล่าล ะ, ละเด็ดขาดบันเทาไม่ได้ไม่ต้องบันเทาติดปุดีติดคัญชาติ ด, ตดทองเสพติ ด, ตดละไม่ใช่บรนเทาความโกรธก็ละไม่ใช่บันเท า, า ก, กู ไ, าดได้ดามันก็หายโกรธไม่ใช่แบบนั้นละตันทีทุกข์เนี่ย สมุทัยนี่โลดมักท่านผู้เจ้าเห็นอย่างนี้ทุกทุกเห็นมันทุกไปแล้วไม่พ้นทุกทุกเห็นเห็นทุกไม่พ้นไม่เป็นทุกพ้นทุกเห็นทุกเห็นสมุทัย เห็นเหตุไม่ทำเหตุนั้นอีกพ้นจากเหตุที่กันทำนั้นอีกเห็นมากไปแล้วเห็นงูนเห็นไปจากงูออกไปออกไปแล้วก็พ้นหูแล้ววันมีสามลักษณะเห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกเห็นความดับทุกที่ไหวจัดฉี แต่ละอ <c oughs> ันนี้มีอยู่สามลักษณะเห็นทุก็ทำสามอย่างออกจากทุกพ้นจากทุกสมไทยก็เหมือนกันถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นจริงไม่ไม่เข้าไปเป็นอะมันก็ไปเห็นแล้วก็หลุดพ้นทันทีจึงทำมันก็ทำไม่จับ รูปธรรมาจากักรสิบสองขี้ทำไมมีสิบสองขี้อธิษฐ์สีมีสี่สี่สามก็เป็นสิบสองก็ไอ้ทำมาจากหมุนไปทางใดก็แหลกไปเลยแหลกไปเลียบไปเลยเพราะมันไปอย่างนี้ทุกมันก็เลียบไปแล้วโกรธมันก็เลียบไปแล้วหลงก็เลียบไปแล้วมันเหยียบไปมันเลียบไป มันก็ไม่กวดผ่านไปตรงไหนก็เอาปูนไปในลักษณะของอริยัจี่ทิษดีของพระเจ้าที่พบเห็นเนี่ยมันทำไปในตัวเ็ษมันก็ไม่บีขึืนสุขก็เรียบไปเลยทุกข์ก็เรียบไปเลยไม่มีขึ้นไม่มีค่าแต่ก่อนกระทบกระเทือนท่าชีวิตของเราเนี่ยพอมาเห็นลักษณะนี้ นิจติเห็นเข้าไปอย่างนีมันก็เลี้ยบไปเลยถ้าเป็นโลกก็เลี้ยบไปเลยเป็นโลกโลกดามโลกก็เลี้ยบไปเลยรักษาโลกได้เลยโลกที่เกิดขึ้นจากกายจากใจหมายถึงโลกโลกดามโลกนะไม่ใช่โลกที่เป็นเชื้อโลกอันโกรธเป็นโลกกันหนึ่งความทุกข์เป็นโลกกันหนึ่งความ อะไรก็ตามถึงการเกิดเจ็บจ็บตายเขาเป็นลูกคนหนึง่งที่ของคนหลาเลียบไปเลยจนพระเจ้าเลยตรัสว่าอรลขยาปรมาราป่าความไม่มีโลกเป็นลาประเบิดเมื่พระเจ้าอาจจะไปยืนอยู่ยืนอยู่ทาง4ีแพรกสามแพรห้าแพรประกาศตัดดีดลังสมัยก่อนอย่างเรียก อ็ตอบวายศักคิ์บทที่ได้ไม่มีทุกข์ที่ได้เมื่อดร้อนที่นี่ไปวุ่นวายมาที่นี่ทุกทาไมไปหลงทาไมไปโกรธทาไมเดือดร้อนอะไรหมาที่นี้ที่นี้ไม่เดือดร้อนไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ทุกข์ไม่มีการเกิดเจตใจเรื่องนี้กันทุกุชนคืคนโลกคือคนป่วยเพราะไม่รู้ ทุกเป็นทุกคนป่วยผู้ตุชนคือคนป่วยถ้าเป็นโรคแบบคนหมอรักษานี่อันนั้นก็เป็นโรค ท, ที่เกิดเชื่อโกูกอันนั้นก็รักษาโดยโอสุดลยยาอั น, น, นโรคที่เกิดจากกานเกิดเจ็บจะตายก็รักษาด้วยยาแรือโอสุดดังที่เราสวดไปทำทั้งหมด ก็สงไปสวดมนต์บ้านก็มีขันน้ามนต์มีเทียนทําน้ามนต์หอบ้านก็มีบทหลวงที่สวดว่าจักกตวพุะ ต, ตลังโอชถังอุตังวลังจักกตวทับบตลังโอชถังอุตามังวัง สัจัตวมสังขารตังโอชถังอุตมังบลังสสัพพลูกาสัพสัพพยายาสัพพลูกาอะไรเติมไปสัพพยายาสัพพลูกาเืมนะอานพยาาโลคาหายไปหมดหมยถึงโลกตัวเน้ย ยังไม่มีโรคมันรเลยเลียบไปเลยนะมันรักษาได้ปุถุชนที่คนมีโรคปุถุชนคือคนหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์เรียกปุถุชนมีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ น, นี้เกิดโรคทางร่างกายที่เป็นโรค ก, กันหนึ่งได้ะะไอ้สุบุรีก็ติดโรคไปกินเหล้าก็ติดโรค เป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้เพราะใช้ชีวิตไปถูกต้องได้อันโรคอีกทานที่เป็นแค่โรคต้องไปหาหมออย่ลตาไปหาหมอเนี่ยก็หายได้บันเทาได้แก้ได้แต่กาเกิดเจ็เจ็บตายแก้ไปได้แต่เราต้องมาเสอาเสนีนีเวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บนี่ยไม่เก็บพราะคามเก็บนี่เราทาเองหมอท้ไม่ไปได้ แล้วมันตายเราจะไม่ตายความตายเราทําเองหมอช่วยไม่ได้หายใจไม่ได้เราก็ต้องว่าว่าหายใจไม่ได้เป็นทุกข์ลองไปทุกข์ก็ได้อทุกข์เพระหายใจไม่ได้ลองไปทุกข์ก็ได้แล้วอยู่อย่างนี้เราอยู่ของเราเองแบบนี้เราไม่ตายเพราะหายใจไม่ได้เราอยู่ของเราเองชีวิตของเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ไม่ต้องาอาศัยลมหายใจมล้ก็เอาไม่ใช่เอาลมหายใจมาเป็นชีวิตเอาชีวิตไปเป็นชีวิตตื่นมันไม่เป็นอะไรนี่มันมีอยู่แล้วนี่จะเห็นไม่เป็นนั่นมีอยู่แล้วทุกคนแต่เรามากักจะเป็นสะมันทุกขเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ซะแค่นี้หลีกทางแค่นี้ ปุตุชนหรือพระเดียเจ้าตรงนี้แน่นอนหลงเป็นหลงหรือว่าปุตุชนถ้าห ล, ลงเป็นไปหลงเรือว่าพระเดียเจ้าเหมนกับหน้ามือหลังมือเท่านี้เองในความเกิดก็มีความไม่เกิดในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายหน้ามือหลังมือเท่านี้เปลี่ยนอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรม ใครก็ทำได้เดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่หลอกพวกนี้เมื่อเรื่อนปีได้าชาติหน้ามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไมหลงทำไปเลยถ้าเปลี่ยนน้งนี้ไปก็จะที่สุดคือเหนือการเคยเจ็เจ็บตายไม่ทุกน้องตาก็ตายไปแล้วหมอช่วยหายใจไม่ได้ เอาทิ้งเลยมันแช่ไม่ได้ก็ใช่เนาเมื่อไม่แช่ไม่ได้เขาไม่ต้องแช่มันละน้ำลายปูมปากออกมาว่าเจะเมือเื็อต่ำลายเอามือยกมือไม่ขึ้นแล้วหมดสภาพแล้วบ้าเจ้าดูตัวเองตาหลับไปหลงตาค้างไปล้ <laughs> เอ๋อเขียนนี่เนาะจบกันเด้อเทิ่งไปเลยเทิ่งไปเลย ไม่เห็นทุกข์เดือดร้อนอะไรแล้วก็มาคืนมาไปบาลเลี้ยหลังต่าห้องต า, งต า, งตาไม่ขับไม่หนักไม่เบามาหลายวันแล้วเออไม่อยากเหมือนกับมาลุกควนเราเราอยู่นี่สบายดีบาลุ ก, กวนทำไมาไม่อยากรูก้เขาพูดอยู่ล่างไปบาลเสียงผู้หญิงมันเข้าหูเจ้าเจ้าเจ้าเนะ ก็เลยมันทรมานใจทรมานไจกัดนดักกันเบาไม่ดีทรมานไตเอ๊ะมันมมไตายเลยเนี่ยมาสังเกตดูเราตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาอีกมาหายใจอีกก็หายใจไม่ได้กรทิ่งเหมือนอีกไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนสองรอบสามรอบจึงค่อยปกขึ้นมา รื่นตาขึ้นเห็นคนยืนก็ก็จกอยู่ข้างนอกห้งองไอชียูเห็นน้ำตาไหลเป็นแถวเอา้เอาก็มาล่องให้กับเราทาไมก็ เ, เห็นทุกข์ระลอดอะลายอยากจะบอกเขาคั่วไม่ออกว่าจะเอ า, เ อ, าอมสายยางอยู่สายยางสอดเข้าไปในคอบอื่อได้ไปรู้แล้ว <laughs> นี่ก็ขึ้นมาเพราะหมอถ้าไม่มีหมอมันก็หมดไปแล้วรูปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องไปทุกข์กว่าความแค่ของามเจ็บคน า, คาตายได้จริงจริงถึกเอาไวอย่างนี้แหละมันหลงให้รู้ขึ้นมาเนี่ยกรรมฐานไปทางนี้นะรักษาหายความโรคของกอดของหลงของทุกข์นี่ยแล้วไอ้จริงจริง แต่ต้องฝึกกรรมฐานาไม่ใช่อยุกขฉืยเอามาที่ไหนฝึกอย่างเนี้ยปฏิบันธ์แบบนี้แหละเห็นกันทุกคนแล้วมันหลงไม่หลงก็มากําหนดนิมิต ท, ที่เราตั้งไว้เนี่ยสนุกดีนะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนีง่โอ้ยเป็นความชอบที่สุดเลยถูกต้องที่สุดแล้วมันทุกข์ไม่ทุกข์ไปถูกต้องสุดทำได้จริงๆ อย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธพอใจเป็นพอใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวไปเลยมันจะเลี้ยไปวาในคืนวันนีเติมมาจากก้อนลาดเหมือนรถสามขันอยู่ในสมองตุมตมต ม, มันก็สุขภาพไม้ดีต่มารีบอาบน้ำซักผ้าเตรียมตัวตาย เขน้านุ่งอย่างดีว่าจะนอนตายมันขนาดนี้เลยนะนอนลองก็นอนลองก็ลุกไปบังคับใหมลุกขึ้นมาไปวัดความ like ดันเกือบสองรอยนะไปวัดความดันเออมันก็ดีนะก็ไปนอนลองนุ่งผ้าใหม่ถ้าตายแล้วก็ไม่น่าลังเกียจนะ แต่ว um ่าป <otch> yes like ้าก oh, so ็ส so ักไปแล้วเช็คไปแล้วเนี ness, ่ยไม่ทุกก์อะไรนะทุกข์อะไรนะสมัครนอนตายคนเดียวไม่เรียกร้องอะไรพอดีตื่นขึ้นมาคุณหมูไปบอกอาจารย์นอดไปนอนอยู่เอ้ขึ้นมาอาจารย์นดนอนอยู่หมูก็หายได้แล้วเราเป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์เนโวยวายอาจารย์อาจารย์ไม่ดีนะยังดิ่งดีนะ เวลามันมีอะไรที่มันจนน่ะมันยิ่ดีนะจริงๆ น, น, นะเรื่องนี้นะไม่ทุกเด็ดขาดไม่ไม่ถกกัำวนเรื่องใดเพราะมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วชีวิตของเรานขะองไม่เป็นอะไรนี่มันยูวยเยี่ยมนะมาตรฐานของชีวิตนะ่ะจึงเห็นสักว่าสักว่าดิเอ็นกายสัว่ากายไว้แล้ว อะไรที่ เ, เกิดกับกาย เ, เห็นสัจธรรมว่ากายอันเป็นสุขเป็นทุกข์สักตรรมว่าสุขก็ทุกข์ไปแล้วเห็นความไม่เห็นควา ม, ค, วามคิดเกิด ข, ขึ้นจา ก, จากความคิดอะไรต่างๆสักธรรมว่าความคิดไม่ใช่ตัวชื่อตนไปแล้วไปทิ้งไปแล้วเอาไว้หลังข้ามบ้านข้ามเบิงเดินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปแล้วไปแล้วไม่มีค่า สุขทุกข์ไม่มีค่าตายไม่มีค่ามีค่าคือไม่เป็นอะไรมีค่าชีวิตคือไม่เป็นอะไรไม่ต้องเอาสุขโอาทุกข์มัไม่มีค่าไม่ใช่โอาเกลเอเกลียาลมามีค่าไม่มีจริงๆมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนทั้งคนไม่เป็นอย่างนี้นะฝึกหัดอย่างนี้กันพวกเรา ด้วยกันไม่ได้ต้องฝึกเองพี่สุกันดูหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีถ้ามีสติโตเนื่องเนี่ยพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้คีดแล้วคีดอีกโน่นกนมก้อยโน่นเหลือนว่างต้องความเพียรมีสติความเพียรคือขยันรู้นี่ละ จะขี้เกียจให้ขยันลู้ยิ้มเย้มแจยงใสใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาไม่เข่งเขือไม่ไม่รีดแรงคำว่ารู้หนีมันเบาๆไม่หนักสบายสบายเลยลขอจบโทรนี่สำหรับนนเช้าวันนี้กับพระพอบกัน